นั่นก็ทีนะบางทีเขาพาไปเที่ยวสวนนะบอกต้นไม้นี่ชื่อต้นนั้นพันนี่เนี่ยนะถ้าอธิบายสักสิบต้นเนี่ยมันก็หมดเวลาปเป็นชั่วโมงแล้วล่ะคือบางคนที่เขาชอบสิ่งใดเขาก็จะเล่าสิ่งนั้นไม่รู้จักเบื่อจากนายฉันใดเท้าสักกะก็เหมือนกันเนื่องจากว่าติดใจในปราศาสตหลังนี้มากมันก็เล่าชี้ให้ดูนี่ก็สวยนั่นก็ดีนี้ก็สวยนะ พระมหาโมคลานะก็กล่าวว่าเออสถานที่ตรงนี้น่ารื่นรมของเท้ากโกสีงดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ทำบุญไว้แล้วในต่างก่อ น, อ น, น, นสถานที่ที่ของคนมีบุญก็เป็นอย่างนี้และคนที่ทำบุญไว้ดีก็มีสถานที่งดงามอย่างนี้แหละเพราะแม้พวกมนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่น่ารื่นรมในที่ไหนๆพวกเขาก็จะพูดว่างามจริง เหมือนสถานที่น่ารื่นรมของพวกเทวดาชั้นดาวดึงเพราะว่าสถานที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยน่ารื่นรมเป็นสถานที่ของคนที่ทําบุญไว้แล้วในปางก่อนมันเวลาใครไปเห็นที่ไหนสวยก็บอกอ๊ยสวยเหมือนในเมืองสวรรค์ก็งั้นนะนะของเราก็อยู่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมที่ไหนสวยบ้าง่ก็ตึงไหนที่คนไปออ ก, กันเยอะๆเนี่ยเช่นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมมันอากาศยิ่งร้อนเท่าไหรย่ยิ่งคนก็อ้อก็ไปอยู่เข้าตรงนั้นเนี่ยมากเยอะ นจากครูวิญญาณก็เกิดเยอะฟังเสียงเพลงตลอดแล้วก็สัมผัสที่ดีๆเนี่ยกนะ็ติดใจเนี่ยลืมหมดวันหมดคืนไปทีนี้ในสายตาของพระมหาโมคคลานะมองเห็นเท้าสักกะเป็นต้นที่กำลังเพลิดเพลินก็คิดว่าเท้าสักกะพระองค์นี้เป็นผู้ประมาทนักนะ แม้เผลคอคำว่าเพลิดเพลินทําตัวเหมือนไม่ตายว่างั้นเถอะเหมือนก็นจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปคําว่าประมาทก็คือหนึ่งลืมแก่ลืมป่วยลืมตายถ้าเป็นเทวดาก็คือไอ้ลืมป่วยนี่ไม่เท่าไหร่นะก็เท่ากับลืมตายคิดว่าตัวจะไม่ตายหรือไงเนาะนะก็มาเพลิดเพลินอยู่เท่านี้เลยก็ไม่รู้จักความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายพระโมคคลลานะก็เลยคิดว่าถ้ากะไรเราต้องให้เท้าส ก, กะนี้สังเวชเถิด น, นะต้องแกล้งให้สังเวทเลยนะถ้าไม่สังเวทแล้วก็ ไม่ไม่ถ้าไม่สังเวชนี้ก็จะไม่มีปัญญาที่จะระลึกความจริงได้หรอกก็เลยบันดาลอิทธาพิสังขารเอาหัวไม่โป้งเท้าเนี่ยนะกดเวชยันต์ตประสารแล้วก็เขยา่าไม่ต้องใช้มือเขย่านะใช้โป้งเท้านะั่นกดแล้วก็เขย่าแล้วทันใดนั้นเทา้าสกกะจอมเทพเท้าวเวสวรรหาราช พ, พร้อมทั้งเทวดาชั้นดาวดึงก็มีความประหลาดอัศจรรย์จิต กล่าวกันว่าท่านผู้เจริญนี้เป็นความประหลาดน่าอัศจรรย์สมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้หัวแม่เท้ากดที่ประพิภพเขย่าให้สันสะเทือนวันไหวได้วิธีการของท่านก็คือหนึ่งท่านเข้าอาปโปกสินก่อนแล้วก็ให้ชั้นล่างเปรียบเหมือนน้ําหมดเลยนะแล้วก็อําดาด้วยอํำนาจโป้งเท้ า, ทาก็กดอ่านะก็เหมือนกับเรากดอะไรที่ลอยน้ำมันนะก็เหมือนกับกดเรือเล็กๆที่อยู่บนน้ำเนี่ยก็ จ, จิ้มลงไปตรงไหนมันก็สะเทือนไปหมดแล้วท่านก็กดแบบนั้นมันก็สะเทือนทั้งหมดนัะนะครั้งนั้นพระมหาโมคคลานะทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพเนี่ยสลดสังเวชจิตขนลุกเสร็จแล้วก็ถามมาเท้าโกศีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความหลุดพ้นเพราะสิ้นปัญหาอาสิ้นตัญหาไปได้โดยอย่างย่อเป็นอย่างไรคือพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรถึงธรรมะที่บุคคลปฏิบัติแล้วน้อมไปเพื่อความสิน้นปัญหาแบบย่อๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ขอโอกาสเถอะขอร้องเถอะนะข้าพเจ้าจะขอมีส่วนที่จะฟังคาถานั้นบ้างท้าวสักกะเขบอกว่าท่านพระมหาโมคคลานะผู้เนรทุก ข, ข้าพเจ้าจะเล่าถวายประกั้นนะ่ะนะก็เราว่าพอประสาทสะเทือนแค่นั้นอนะจำได้หายเมาเลยครเนี่ย น, นะตอนแรกเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรสมวัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาลืมตายพรประสาทวันไหวแค่นั้นแหละสางเลยก็เลยบอกว่าจาได้แล้วระลึกได้แล้ว บอกว่าข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาพระองค์แล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าใดหนอภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในความพ้นเพราะสิ้นแห่ง ความสิ้นแห่งอาสวะหมาย ว, าว่ามีจิตน้อมไปแล้วในพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นอาสวะเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเบื้องต้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นเนี่ยต้องทําอย่างไรซึ่งเมื่อปฏิบัติตามนั้นเสร็จแล้วจะมีความสําเร็จล่วงส่วนหมายว่าสําเร็จโดยส่วนเดียวมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารี์ล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านพระมหาโมคคลานะเมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับมาแล้วว่าธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุทั้งปวงไม่ควรยึดถือว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะ ถ้าข้อนั้นพิสษุได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ย่อมรู้ชัดธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งคือมีปัญญาเข้าไปใคร้ควรวนขันอายตนาธาตุนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ครั้นทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็กําหนดรอบรู้ในขันอายตนะธาทั้งปวงนั่นแหละโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาครั้นกําหนดรู้ทำทั้งปวงนั้นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก, ก็ดีพิจารณาเห็นว่าเวทนาทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายในเวทนา พิจารณาอะนะความหน่ายตัวนั้นคือวิราคาเนี่ย น, นะพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในเวทนาพิจารณาเห็นความดับในเวทนาพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายก็แปลว่าเจริญอนิจจานุปัสสนาโดยปกติเจริญวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสคานุปัสสนาโดยปกติเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นก็ไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกไม่ยึดด้วยตัณหาและทิฏฐิ เมื่อไม่ยึดมั่นก็ย่อมไม่สะดุ้งวันไหวด้วยตัณหาเมื่อไม่สะดุ้งวัดวัดวันด้วยตัณหาก็ย่อมปรินิพานทำกิเลสให้ดับได้เฉพาะตัวและรู้ชัดด้วยปัจจเวกขณะยานว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนจอมเทพพูดกันแบบย่อๆว่าน้นข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละถ้าปฏิบัติได้ตามนี้แหละ ชื่อว่าเป็นผู้น้อมแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาชนิดที่เรียกว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่ว น, น, ม, ววนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่ท่านพระมหาโมคคลานะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความหลุดพ้นเพราะสิ้นตันหา โดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้แล่ น, น, นะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะก็ชื่นชมยินดีพาเิตของเท้าส ก, กะแล้วก็หายไปจากหมู่เทวดาชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราศาสของมิคารมามดาในวิหารปุปผารามประหนึ่งว่าบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่งอออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉนั้น ครั้งนั้นพวกเทพพิิดาผู้เป็นผู้บำเรอหญิงรับใช้เท้าสักกะทั้งหลายก็เมื่อพระมหาโมคลานะลีกไปแล้วไม่นานก็เข้าไปทูลถามพระมหาเอ่อทูลถามเท้าสักกะว่าข้าแต่พระองค์ผููเนรทุกพระสมณะพระองค์นั้นน่ะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระาศาสดาของพระองค์หรือหนอ ทา้าสสกกาก็ตรัสบอกว่าดูก่อนเหล่าเทพพ ธ, ธิดาผู้เนรทุกเนี่ยนะผู้ปราศจากทุกโศกเนี่ยนะพระสมณะพระองค์นั้นน่ะไม่ใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นาศาสดาของเราท่านคือท่านพระมหาโมคคลานะผู้เป็นสะพรมจรีผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับเรา คืออ่าประพฤติพรมหมจรย ร, รนะย์ในศาสนาเดียวกันคือหมายความว่าเท้าสักกะเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ได้โสดาปฏิมักโสดาปฏิพนพระมหาโมฆลลานะเนี่ยนะได้อรหัตมักอรหัตผลเพราะฉะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอริยมักเช่นเดียวกันในศาสนาเดียวกันก็แปลว่าคนร่วมศาสนาว่างั้นนะนะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันว่างั้นเทพธิดาเหล่านั้นก็โูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกเป็นลาบของ พระองค์พระองค์นี่ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากเมียนุภาพมากอย่างนี้เป็นพรหมจารีผู้ร่วมประพฤติอริยม ก, กับพรหมจรรย์กับพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระศาสดา ข, ของพระองคง์คงมีฤทธิ์มากคงเมียนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ขนาดสาวกยังขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนยอย่างนั้นนะนะเนีที่จริงอะรู้ว่าขนาดนั้นก็น่าจะลงไปฟังธรรมใชไหมอันะี แต่ท sí, no ี่จริงแล้วเทพเทวดาหรือก็ตามมนุษย์ก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนระดับที่เรียกว่าเป็นพนักงานทั่วไปแล้วยากเห็นคือถ้าเป็นเทวดาทั้งถ้าเป็นมนุษย์นี่ใช่ไหมพนักงานทั่วๆวไปที่ยังมีการงานตัวเองต้องรับผิดชอบได้รับการมอบหมายเนี่ยยากที่จะได้ไปฟังคำฉันใดหรือแม้กระทั่งพวกที่ มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะนะโดยทั่วๆไปเทวดาก็ในย่าเดียวกันถ้าเป็นพนักงานแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปก็ยากที่จะได้ไปฟังธรรมอ่ะนะยากที่จะมีเวลาเป็นของตัวใช่ไหมมัวแต่ได้รับภาระมอบหมายเข้าเวรเข้ากรรมนี่นั่นแหละนะก็เรียกว่าเปลี่ยนวาระทํางานเนี่ยนะเขาเข้ากะกลางวันบัางกลางคืนบ้างก็ตามนั่นแหละก็เลยยากที่จะแบ่งเวลาของตัวได้ ทีนี้ย้อนกลับมาฝ่ายพระมหาโมคขลานะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคขลานะเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วถวะกลับมามาเฝ้าถวายอภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลเนื้อความนี้กับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสธรรมะเป็นที่น้อมเอ่อ ความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อตัณหาสังขยาวิมุตติเนี่ยนะความสิ้นตัณหาแสดงธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยสังเขปแก่เทวดาผู้มีศักดิ์มากผู้ใดพระองค์หนึ่งบ้างหรือหนอคือเป็นคําถามว่าพระองค์เคยสอนธรรมเคยประกาศธรรมะเป็นการเป็นธรรมะที่น้อมไปเพื่อความสิ้นตัณหาแต่เป็นการแสดงโดยย่อเนี่ยพระองค์เคยแสดงไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโมคลานะ เรารู้อยู่เรารู้เฉพาะอยู่เราจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าไม่บอกอา้าวเธอไปฟังมาแล้วมันใช่เลยเนี่ยองไม่ตราตรึงกันใช่ไหมปงบอกว่าเอาเรารู้อยู่แบบนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็คือเท้าสักกะจอมเทพเขาเข้ามาหาเราอภิวาเราแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าจะพูดกันโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าใดภิกษุชื่อว่า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 ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคือขันอาญตนะธาตุทั้งปวงนี่ไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับคือเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะย่อมทราบชัดทำทั้งปวงคือขันอาญตนะธาตุนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งคือด้วยปัญญาที่รู้ยิ่งว่าขันทั้งปวงอาญตนะธาตุไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาครั้นทราบชัด ทำคือขันอาญตนะด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็กําหนดรอบรู้ในขันอาญตนะทั้งหลายเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาครั้นกําหนดรอบรู้ทำทั้งปวงอนะด้วยวิปัสนาปัญญาอย่างนั้นเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีเธอพิจารณาเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นโดยวิราคะคือความคลายกําหนัด พิจารณาโดยนิโรธะคือความดับพิจารณาโดยปฏินิสักขะคือความสละคืนเรียกว่าเจริญแบบอนิจานนนนจานุปัสณีอนิจจานุปัศีคือเป็นคนที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยกปกติเนี่ยนะเป็นเป็นชีวิตจิตใจเลยมั้งพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดเนี่ยนะวิราคานุปัสสีพิจารณาโดยความดับคือนิโรธานุปศัศีและปฏินิสัคานุปัศี เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นก็ไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกคือไม่ยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงเลยเนี่ยนะเพราะไม่ยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเมื่อไม่ยึดถือย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวันสะดุ้งตัวนี้เป็นชื่อของตัณหาเนี่ยนะเพราะว่าตัณหานะั่นแหละเป็นเหตุให้โศกพันจะไม่หวันไม่หวาดไม่ผ ว, ว, ว, วาด้วยตัณหาเมื่อไม่หวัดสะดุ้งหวัดหวัดหวันอย่างนั้นก็ย่อมดับกิเลสหรือทํากิเลสให้ดับ ทำกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนรู้ชัดด้วยปัจเวกขณะยานวัชชาสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็แปล ว, ว่าเป็นท่ารัานไปแล้วเนี่ยนะดูก่อนจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหา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 ดูก่อนโมฆลลานะเราจําได้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความพ้นเพราะสิ้นแห่งตันหาโดยย่อหรือว่าตันหาสังขยวิมุติเนี่ยนะความสิ้นายแห่งตันหาเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นที่สิ้นตันหากล่าวข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเป็นที่สิ้นตันหาแสดงแบบยอ่อแก่เท้าสั ก, กะจอมเทพอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงเนี่ยนะพระมหาโมฆลลานะก็ชื่นชมด้วยใจยินดี พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยวาจา